บทที่48วันรุ่งขึ้นคณะผู้สแสวงบุญได้บินไปยังเมืองที่ผู้วิเศษอยู่โยมผู้หญิงพาการตื่นเต้นยินดีเพราะมีคนมาเล่าให้ฟังอยู่เนืองๆว่าได้ไปกราบขอพรท่านมาแล้วสตรีในอดีตชาติเป็นโอรสของหลวงพอ่อฤาษีเสด็จพูดขึ้น ขณะนั่งรถจากสนามบินไปยังโรงแรมว่าทีนี้ละ่ะฉันจะได้มีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างฟังพวกเขาคุยถึงพระองค์ท่านมานานแล้วพระองค์ท่านพระองค์ท่านไหนล่ะโยมท่านพระครูถามก็องค์พักวันที่เรากำลังจะไปกราบชมพระบารมียังไงล่ะคะหลวงพ่อเพื่อนหนูเล่าให้ฟัง ว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระบารมีทรงเป็นเทพแห่งเทพทั้งหลายทรงโดนบันดาลอะไรได้ทุกอย่างตามพระทัยปรารถนาที่หนูมาครั้งนี้ก็ตั้งใจจะมาชมพระบารมีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็คือพระศรีอริยเมตรยะที่เสด็จลงมาอุบัติในโลกมนุษย์หลอนพูดด้วยความเชื่นชมใช้ราชาศัพท์อย่างถูกต้องเพราะท่องมาล่วงหน้าแล้ว ท่านพระครูออกแปลกใจที่หญิงสาวช่างมีศรัทธาประสาทะในผู้วิเศษมากมายนักแม่ชีละ่ะเคยได้ยินใครมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบ้างหรือเปล่าท่านถามแม่ชีป่วนผู้เป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันกับท่านเคยจ้ะแต่ฉันไม่ศรัทธาเพราะคิดว่าไม่มีใครจะล้ำเลิศประเสริฐสีเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้ว และฉันก็ไม่เชื่อว่าคนที่พวกเรากําลังจะไปดูเป็นพระศรีอานมาอุบัติเพราะยังไม่ถึงคิวท่านจะคุณอาจารย์บอกว่ายังอีกนานต้องรอให้พระาศาสนาของพระโคตะพุทธเจ้าอายุห้าพันปีก่อนนี่เพิ่งจะ 2,528 ปีเท่านั้นเองยังเหลืออีกตั้งสองพันกว่าปี แม่ชีตอบฉะฉานในเมื่อแม่ชีไม่ศรัทธาแล้วมาทําไมละ่ะสาวใหญ่เริ่มไม่พอใจแม่ชีที่ไม่มีศรัทธาในองค์พระวันเหมือนที่หล่อนศรัทธาก็จะมาดูน่าซีแล้วที่มาได้ก็เพราะคุณพี่ผ่องสายช่วยออกค่าใช้จ่ายให้แม่ชีลงทุนเรียกโยมผ่องสายว่าคุณพี่เพราะถึงอย่างไร โยมผ่องใสก็อายุมากกว่าแล้วท่านเจริญว่ายังไรท่านเชื่อฝ่ายไหนท่านถามพระมกุเทศก็ต้องเชื่อฝ่ายแม่ชีสิครับหลวงพ่อแต่ผมทําหน้าที่เป็นมกุเทศเมื่อญาติโยมเขาอยากจะมาก็ต้องพามาจะว่าไปแล้วก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับหลวงพ่อผมเคยพาญาติโยมมาหลายครั้ง แล้วก็ได้เห็นว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่เข้าใจศรัทธาในความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนพอมาพบเห็นอะไรที่น่าดูน่าเชื่อถือก็เลยศรัทธาหลงไหลจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นชาวพุทธเป็นคฤารือหัดก็ยังไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ที่น่าเกลียดก็คือพวกเรานี่แหละครับหลวงพ่อพวกพระเราทั้งแก่ทั้งนม่ม พากันไปกราบเท้าของพระควัญผมเนี่ยอยากจะจับศึกษีให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่รู้บวชมาได้อย่างไรพระมากุเทศกล่าวประสบการณ์ที่ท่านได้พบเห็นรถบัสแล่นมาถึงโรงแรมที่พักเมื่อเวลาส1อนาฬิกาสิบนาทีผู้นำทัวนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหกรูปไปยังห้องอาหารของโรงแรมเพื่อฉันพัตหาร ส่วนญาติโยมพากันนำสัมภาระมากองรวมไว้ที่ห้องพักแขกและจึงไปรับประทานอาหารจากนั้นผู้นำทัวร์จึงจะรับกุญแจจากห้องพนักงานโรงแรมมาแจกให้เพื่อจะได้นำของไปเก็บในห้องของตนของตนเสร็จจากฉันพัตหารท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองเข้าห้องพักเพื่อจเจริญภาวนาพระมกุฎเทศ และพระหนุ่มอีกสามรูปไปชอปปิ้งกับญาติโยมแล้วก็จะกลับมารับท่านพระครูและหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอนสี่โมงเย็นเพื่อไปดูผู้วิเศษซึ่งจะออกมาให้ประชาชนเข้าเฝ้าในเวลา17นาฬิกาตรงสมภารวัดป่ามะม่วงกับสมภารวัดดอนเมืองแบ่งเขตกันคนละมุมห้องเพื่อเดินจงกรม ตกลงกันว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงสงน้ำถึงเวลานั้นรถก็จะพาคณะผู้สแสวงบุญไปชอปปิ้งก็คงมารับพอดีตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วภิกษุสองรูปจึงเริ่มเดินจงกรมท่านพระครูไม่ต้องตั้งนาฬิกาเพราะท่านสามารถกำหนดจิตได้ว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงเวลากำหนดจิตไว้ก็จะรู้เองก่อนออกจากพระกรรมฐานท่านพระครูแผ่เมตตาไปยังคนไทยที่กำลังนั่งรอชมบารมีผู้วิเศษขอให้พวกเขาเป็นสุขทั่วหน้าและหากใครได้สร้างปัญญาบารมีมาแต่ครั้งอดิตชาติก็ขอให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ อะไรควรรับมาปฏิบัติอะไรควรละเป็นต้นจากนั้นจึงอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาญาติครูบาอาจารย์เทพเทวดาเปรตเจ้ากรรมในเวรและสัพพสัต ท, ทั้งหลายแล้วจึงเลืมตาหลวงพ่อวัดดอนเมืองกำลังจะสงน้ำเห็นท่านพระครูเลืมตาจึงถามว่า ท่านจะสงน้ำก่อนไหมนิมนต์หลวงพ่อสงก่อนดีกว่าครับสมภารวัดป่ามะม่วงตอบหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงหายเข้าไปในห้องน้ำประมาณ20ินาทีออกมาแล้วท่านพระครูจึงสงน้ำบ้างภิกษุสองรูปสงน้ำและนุ่งห่มจีวร อ, อย่างเรียบร้อยนั่งสนทนากันขณะรอรถมารับ หลวงพ่อคิดอย่างไรกับผู้วิเศษที่พวกเรากำลังจะไปดูครับท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองผมไม่คิดว่าจะมีผู้วิเศษเกิดขึ้นในยุคนี้หากมีก็คงจะเหมือนผู้วิเศษในสมัยพุทธกาลกระมังแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพระเราไปกราบได้อย่างไรกันฟังที่พระมกุเถิดเล่าแล้วผมก็ไม่สบายใจเลย ประสงค์เป็นสา ว, วกของพระพุทธเจ้าทำไมไปกราบนักบวชของศาสนาอื่นที่สมัยพุทธกาลเรียกว่าเดียร์ีเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกับตาดีไม่ดีพระหนุ่มสามรูปที่มากับเราก็อาจจะเป็นไปกับเขาด้วยก็ได้หากเป็นเช่นนั้นท่านจะว่าอย่างไรหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามท่านพระครู ผมก็คงนึกสงสารพวกเขาที่ขาดปัญญาอุตส่าห์มาบวชในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแต่ขาดปัญญาสักแต่ว่ามีศรัทธาแต่เป็นศรัทธานอกพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้พวกเราออกนอกหลู่นอกทางกันมากมายเหลือเกินหลวงพ่อเคยคิดไหมครับว่าในประเทศไทยสามแสนกว่ารูป จะมีที่เข้าใจเรื่องศรัทธาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสักกี่รูปผมว่าคงมีไม่กี่รูปผมก็คิดอย่างท่านน่าเป็นห่วงพระพุทธศาสนานะคนที่มาบวชเพราะรักแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงจะมีสักขี่คนกันเงียบกันไปครู่หนึ่งหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ถามท่านพระครูว่า แล้วท่านคิดอย่างไรเรื่องผู้วิเศษนะ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงไม่ได้พูดว่าท่านคิดอย่างไรแต่เล่าเรื่องที่ท่านได้สนทนากับพระอินเดียเมื่อคือนนี้ให้เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองฟังนี่ขนาดเป็นคนอินเดียด้วยกันเขายังไม่ศรัทธาแล้วเราคนไทยไปศรัทธาได้อย่างไรกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองพูดเสียงตําหนิ แต่ผมดูแล้วว่าต่อไปก็จะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นกับคนทั้งโลกคือไม่เฉพาะคนไทยคนตะวันตกเองก็เกิดวิกฤตศรัทธาหันเหออกจากศาสนาที่พวกเขานับถือมาตั้งแต่ครั้งปู่าตายายแล้วก็มานับถือศาสนาใหม่มีศาสดาองค์ใหม่ผู้วิเศษที่พวกเรากําลังจะไปดูนี้ ต่อไปจะประกาศตนเป็นศาสดาองค์ใหม่และก็คนจากทั่วโลกจะพากันมานับถือหลวงพ่อคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าที่ผมพูดน่าจะจริงหรือไม่จริงหมายความว่าคนจะพากันละทิ้งศาสนาดั้งเดิมของตนอย่างนั้นหรือครับหลวงพ่อแต่ศาสดาองค์นี้เขาฉลาดเขาจะรวบรวมทุกศาสนาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามหรือว่าศาสนาซิกเพราะฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาอะไรมาก่อนก็สามารถเข้ามาเป็นศาสนิกของเขาได้เพราะเขาคือศาสดาของศาสนาทั้งหลายที่จริงก็น่าสงสารชาวโลกนะครับชาวโลกกำลังขาดทีพึง่งไม่ใช่เพราะไม่มีทีพึง่ง แต่เขาละทิ้งที่พึ่งเดิมเพื่อจะไปหาที่พึ่งใหม่คิดว่าที่พึ่งใหม่จะดีกว่าที่พึ่งเดิมแต่ในที่สุดพวกเขาก็จะหลงทางเพราะเขาลืมไปว่าที่พึ่งที่แท้จริงก็คือตัวข้องตัวเองพวกเขาต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ ได้นำมนุษย์ออกจากเทพมาสู่ธรรมแต่ปัจจุบันมนุษย์กลับจะละทิ้งธรรมกลับไปหาเทพอีกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไรเหมือนกันแล้วหลวงพ่อหละครับจะว่ายังไรท่านพระครูถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองบ้างผมจะไปว่าอะไรได้อีกอย่างเดี๋ยวนี้คนเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อถือพระกันแล้วเพราะ พระทำให้คนเสื่อมศรัทธาก็มีอยู่ไม่น้อยผมว่าเราทำหน้าที่ของเราไปใครมีบุญเขาก็เชื่อในสิ่งที่เราสอนใครไม่บีบุญก็ต้องปล่อยเข้าไปเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองพูดแบบลรงๆคนเดี๋ยวนี้ก็แปลกนะครับอะไรจริงเขาไม่เชื่อไปเชื่อที่ไม่จริงท่านพระครูพูดแบบบนไกล เพราะคนเราสติปัญญาไม่เท่ากันที่สติปัญญาไม่เท่ากันเพราะทำกรรมมาไม่เหมือนกันหลวงพ่อวัดดอนเมืองบนเสียงเคาะประตูดังขึ้นท่านพระครูดเดินไปเปิดประตูพบชายหนุ่มอายุน้อยที่สุดในคณะเขาเรียนท่านว่าพระมกุฏเทศให้ผมมานิมนต์หลวงพ่อไปขึ้นรถครับขอบใจที่มาตามหลวงพ่อท่านขอบใจชายหนุ่ม และจึงหันไปบอกหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่ารถมาแล้วครับหลวงพ่อและภิกษุสองรูปก็พากันไปขึ้นรถก่อนออกเดินทางพระมะกุเทศประกาศว่าเดี๋ยวเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณส0นาทีพระวันจะออกมาให้ประชาชนเข้าเฝ้าเวลาห้าโมงตรงระหว่างทางหากใครมีอะไรสงสยัยขอให้ถามได้ ญาติโยมจะกลับมาทานอาหารที่โรงแรมในเวลาหนึ่งทุ่มจากนั้นเราจะพร้อมกันที่ห้องประชุมโรงแรมเพื่อทําวัดเย็นและถ้าใครไม่ง่วงจะขอให้หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงสอนกรรมฐานให้ก็ได้หวังว่าหลวงพ่อคงไม่ขัดข้องนะครับท่านประกาศไปแล้วจึงถามท่านพระครูผมก็ต้องตอบว่าไม่ขัดข้อง เพราะถ้าตอบว่าขัดข้องท่านจะเสียหน้าจริงไหมท่านพระครูยาวค่อนข้างแรงผมยอมเสียหน้าเพื่อแลกกับความรู้ครับผมได้ความรู้จากหลวงพ่อมากแต่เสียหน้าแค่นิดเดียวเกินคุ้มเกินคุ้มครับหลวงพ่อ พระเจริญตอบแบบไม่เสียเรียดโยมผ่องใสจึงพูดขึ้นว่านิมนลหลวงพ่อวัดดอนเมืองเล่าเรื่องพระสุตโตทนะต่อได้ไหมคะที่หลวงพ่อเล่าค้างไว้เมื่อตอนอยู่พุทธคยาอาตมาเล่าถึงตอนไหนล่ะโยมหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนนามหาธรรมปรารชาดก โปรดพระพุทธบิดาให้สำเร็จพระอนาคามิผลค่ะโยมผ่องใสตอบโอ้โหโยมจำความได้ดีเลือเกินดีกว่าอาตมาเสอีกท่านออกปากชมและจึงเล่าเรื่องพระเจ้าสุโธธนะพระบรมศ า, ศาสดาประทับอยู่ในพระนครกบิลพัทเป็นเวลาเจ็ดวัน ในวันที่สามหลังจากเทศนาโปรดพระพุทธมารดาให้สำเร็จพระอนาคามิผลแล้วได้ทรงไปโปรดพระนางพิมพาเทวีตามคำกราบทูลพระเจ้าสุดโททนะโดยมีพระอัครส า, าวกตามเสด็จทรงมีรับสั่งแก่อัครส า, าวกทั้งสองว่ามารดาราหุนนี้มีคุณค่าแก่ตถาคตเป็นอันมาก พี่ว่านางจะจับบาตตถาคตรูปครัมสัมผัสและโศกเศร้าอาดูลพี่ราบร่ำให้ด้วยกำลังสเสนหาท่านทั้งสองก็อย่าได้ห้ามปลามปล่อยตามอัธยาศัยให้พระนางพิไรรำพันปริเวธนาจนกว่าจะสิ้นโศกพี่ว่าไปห้ามเข้านางก็จะยิ่งเพิ่มความเศร้าเสียพระไทยถึงชีวิต ไม่ทันได้สะดับพระธรรมตถาคตยังเป็นหนีพิมพาไม่ได้เปลืองปลดจะได้ทดแทนใช่หนีแกพิมพาในกาลบัตรนี้คลั้นตรัสแก่อัครส า, าวกทั้งสองแล้วจึงเสด็จเข้าไปในห้องแห่งประสาทขึ้นสถิตเนื้อรัตนบันลลังก์อาจอันวิจิตฝ่ายนางสนมทั้งหลายจึงรีบไปทูลแก่ พระนางพิมพาว่าพระสิทธะราชสวามีของพระนางเสด็จมาประทับยังห้องแห่งประสาทพระนางแล้วพระนางพิมพาเทวีทรงสดับก็ลุกขึ้นจากที่ประทับจุงประหัตพระราหุนราชโอรสกลั้นความกําสดโศกเสด็จคลานออกจากพระทวารสถานที่สายญาติรงเข้ากอดพระบาทพระบรมศาสดา แล้วศพพระเสียน ล, ลงถวายนมัสการพางทรงพิลาบกราบทูลสาระว่าโทษหม่อมชั้นมีมากเพราะเป็นหญิงกาลกินีพระองค์จึงเสด็จหนีให้อาดู ด, ด้วยเสนหาแต่เวลายังดารุณภาพพระองค์ไม่ได้ตรัสบอกให้ทราบแจ้งทรงสละฆ่าประบาดไว้ไม่มีอะไรดุดก้อนเขระบนปลายชิวหา อันธมออกจากพระโอทมิได้โปรดปรานเสด็จบำราดร้างจากนิวาสสถานไปบรรพชาถึงมาดว่าข้าพระบาทพิมพานี้จะมีโทษแล้วส่วนพระลูกแก้วราหุลกุมารเพิ่งจะประสูตรจากพระคันได้วันนั้นยังมิทันได้รู้ผิดชอบประการใดนั่นมีโทษสิ่งไรด้วยเล่า พระผ่านกล้าวจึงแกล้งทอดทิ้งไว้ให้ร้างพระปิตุรงเมื่อพระนางพิมพาเทวีปริเวทนามาชน้แล้วก็กลิ้งเกลือกพระอุมาขโมรีเหนือบัลลังพระบาทาศาสดาดูเป็นที่หน้าเวทนาส่วนสมเด็จพระพุทธบิดาซึ่งเสด็จมาด้วยก็ได้กราบทูลพนานา ถึงความดีของพระนางพิมพาเทวีศรีสะพยว่าจะหาสตรีใดเสมือนได้ยากยิ่งมีความจงรักภักดีต่อพระองค์จริงประจักษ์ตาทราบว่าพระองค์จาทรงพทมเหนือพื้นพระสุธาพระนางก็ประพฤตตามเสด็จโดยะทมภาคพื้นเมธนีดลครั้นทราบว่า พระองค์เว้นเครื่องสุคนรูปไลตลอดดอกไม้บุพชาติพระนางก็เว้นขาดจากเครื่องประดับทุกประการทั้งเครื่องรูปไลสุคนทรมารก็เลิกหมดเฝ้าแต่รันทดถึงพระองค์อยู่ไม่ขาดแม้บรรดาพระประยลยลญาตของพระนางในเทวทหนครส่งข่าวสารมาทูลถวายว่าจะรับญาติของพระนางในเทวทหนคร ส่งข่าวสารมาทูลถวายว่าจะรับกลับไปบำรุงเลี้ยงรักษาปฏิบัติพระนางก็บอกปัดไม่ได้เลงแลหมูก่กษัตริยวงศ์พระองค์ใดตั้งพระไทยพักดีซื่อสัตย์คือสเสนหาเฉพาะพระองค์ดำรงมาดังพนานามาชนี้เมื่อพระชิ น, นศีได้ทรงเสวนาการจึงมีพระพุทธบัญหารดำรัสว่า ดูกะระบรมบพิษพระนางพิมพาเทวีจะได้มีจิตจงรักพักดีซื่อสัตย์ต่อสวามีแต่ชาตินี้เท่านั้นก็หาไม่มารดาราหุนนี้นั้นน้ำใจเป็นหนึ่งแน่ไม่แปรผันในสวามีแม้ในอดีตการครั้งเสวยชาติเป็นเดรัจฉานกินนารีก็มีจิตจงรักพักดีเลิศคุณดีโลกแล้วพระองค์ ก็ทรงแสดงจันทรรกินนอนชาดกโดยพิสดารบรรเทาความโศกเศร้าปริเวทนาการของพระนางพิมพาให้เสื่อมคลายกำสดเหมือนหนึ่งหลังน้ำอมะตะรดลงตรงดวงจิตของพระนางซึ่งเร่าร้อนด้วยเพลิงพิษคือกิเลสแห่งความหลงในสงสารให้พลันดับกลับให้มีความสดชื่นกเกษมสาร ส่วนพระนางพิมพาราชกัญญาครั้นส่างโศกสิ้นทุกขมีใจผ่องแผ้วเบิกบานตั้งพระไทยสดับพระธรรมที่พระาศาสดาทรงกรุณาประกาศสืบไปก็ได้บรรลุโสดาปฏิผลและถวายอภิวาทแทบพระยุคลบาทของพระาศาสดาด้วยความาซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทรงอุตสาหเสด็จมาประทานชีวิตให้ สดชื่นรื่นรมทั้งประธานอมตะธรรมให้ชื่นสมกับที่พระนางได้จงรักพักดีตั้งแต่ต้นมาและสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จพระพุทธเลีลาพร้อมด้วยพระอัครส า, าวกคืนสู่พระนิโครธารามมหาวิหารบรรดาผู้ฟังทั้งหลายพระและครือหัดนั่งนิ่งสนิท เหมือนถูกมนต์สะกดครั้นเสียงบรรยายหายไปก็ได้สติโยมผ่องใสพูดขึ้นว่าทำไมหลวงพ่อหยุดบรรยายเสียลรคะดิฉันกำลังฟังเพลินๆอนัอตมาเห็นเงียบกันไปนึกว่าหลับกันหมดแล้วก็เลยหยุด ไม่อยากพูดอยู่คนเดียวหลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกเหตุผลหลวงพ่อบรรยายเก่งเลิศเกินผมซาบซึ้งจนน้ำตาแทบไหลนี่ถ้าเป็นผู้หญิงผมร้องไห้แล้วท่านพระครูกระซิบเพราะนั่งติดกันกันกบเจ้าอาวาสวัดดอนเมืองก็ต้องยกความดีถวายท่านเจ้าคุณพระธรรมโกสาาจารย์ท่านพระครูรู้จักท่านหรือเปล่า เจ้าคุณชอบอนุจารีเทระท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยนะท่านเขียนไว้ในหนังสือพุทธประวัติทัศนศึกษาผมอ่านหลายรอบจนจำได้แต่บางตอนที่จำได้ไม่มดก็ถือโอกาสเพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาบ้างคงไม่เป็นไรหรอกนะครับผมว่าตำรวจคงไม่จับท่านพระครูตอบแบบยยนนิดนิด หลวงพ่อบรรยายต่อสิคะอิฉันขอเปิดเผยความลับของโยมผู้หญิงว่าแอบร้องไห้หลายคนดิฉันเองก็พยายามกลั้นน้ำตาโยมผ่องใสพูดอีกแม่ชีปวนกำลังเช็ดน้ำหูน้ำตาจึงไม่ยอมออกความคิดเห็นใดๆบรรยายต่อก็ได้เป็นอันว่า พระพุทธเจ้าประทับนิโครธารามหาวิหารในพระนครกบิลพัทเป็นเวลาเจ็ดวันทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรโดพระพุทธปิดาถึงสามวันวันแรกพระเจ้าสุดโททนะทรงบรรลุโสดาปติผลวันที่สองทรงเป็นสักขาคามิผลวันที่สทรงบรรลุอนาคามิผล และวันที่สามยังโปรโดพระนางพิมพาให้บรรลุโสดาปฏิพลด้วยวันที่สี่เสด็จไปรับบิณฑบาตในนิเวศของเจ้าชายนันทะในงานวิวาหะมงคลของเจ้าชายนันทะกับนางชนบทกาลยานีแล้วเจ้าชายนันทะก็อุปสมบทในวันนั้นวันที่เจ็ดและวันที่ห้ากับวันที่หกพระองค์โปรโดผู้ใดคะ นางสาวสายใหญ่รักถามหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะในหนังสือไม่ได้บอกไว้หนังสืออะไรคะหนังสือพุทธประวัติทัศนะศึกษาผู้เขียนคือพระธรรมโกสาจารย์หรือท่านเจ้าคุณชอบอนุจารีเทระอีกเล่มหนึ่งที่ชาวพุทธควรอ่านก็คือ45พันษาของพระพุทธเจ้าเขียนโดย สมเด็จพระญานสังวรวัดบวรนิเวศหลวงพ่อครับผมเกิดรู้สึกมั่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดว่าอีกสี่ปีข้างหน้าสมเด็จพระญานสังวรจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชและพระธรรมโกศาจารย์จะได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพิมนลธรรมท่านพระครูกซิปกับหลวงพ่อวัดดอนเมือง ถึงผมไม่เกิดความรู้สึกอย่างท่านแต่ผมก็เชื่อตามที่ท่านรู้สึกเพราะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นท่านพูดอะไรไม่เคยพลาดแล้วอีกอย่างหนึง่งพระคุณเจ้าทั้งสองรูปท่านมีคุณูปการต่อพระศาสนาอย่างหาผู้ใดเปรียบได้ยากหลวงพ่อบรรยายต่อเถิดค่ะครั้งนี้โอรสของหลวงพอ่อหรือสีเสร็จ เป็นคนขอร้องหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงบรรยายต่อวันที่เจ็ดพระนางพิมพาเทวีประดับองค์ราหุลกุมารโดยอาภรณ์อันวิจิตให้ราชบุรุษพาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอขุมทองมีใครจำได้บ้างว่าขุมทองมีกี่ขุมแต่ละขุมชื่ออะไร ท่านถามท่านผู้ฟังนางสาวสายใยรักรอให้พระตอบก่อนเมื่อไม่มีพระรูปใดตอบจึงตอบว่ามีสี่ขุมค่ะชื่อขุมทองสังคานิธีขุมทองเอลานิธีขุมทองอุบลนิธีและขุมทองบุนทริกนิธีค่ะเก่งมากหลวงพ่อรู้สึกอายแทนพระ ที่โยมตอบได้คิดว่าคนตอบจะเป็นพระเสีอีกหลวงพ่อวัดดอนเมืองตั้งใจตำหนิพระหนมสามรูปก็หลวงพ่อพระครูพูดว่ายุคนี้โยมเก่งกว่าพระถ้าอยากรู้เรื่องทางโลกให้ถามพระอยากรู้ธรรมะให้ถามโยมก็เป็นไปตามสูตรแล้วนี่ครับหลวงพ่อพระสุขคนหาข้อแก้ตัวจนได้ รถแล่นมาจอดที่ลานจอดรถของสำนักผู้วิเศษหลวงพ่อวัดดอนเมืองจึงพูดขึ้นว่าอาตมาจะหยุดการบรรยายเพราะถึงแล้วไหวขากรับคอยบรรยายต่อ